ผู้ปฏิบัติก็จะจบแต่ละเรื่องแต่ละคนก็ใช้เวลานานพอสมควรเพราะอะไรจริงเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติทำอย่างไรก็ต้องสอในให้เข้าใจบอกให้เข้าใจจนสามารถทำได้ตามเป็นภาวนาเป็นได้แล้วกลับไปบ้านจะทิ้ง ให้ทำอยู่เรื่อยๆห้ า, าว่าทาวัดหนึ่งสักครั้งหนึ่งก็ยังดีจะคิดว่าเราได้แล้วดีแล้วเราไม่มีอะไรอีกแล้วไม่ใช่งันได้แล้วก็ต้องทำไว้รักษาไว้ให้มันมั่นคงทําบ่อยๆอันนี้มันเป็นความดีสำหรับเราให้เราถึงความสุขความเจริญได้ ถ้ามีโอกาสก็ให้มาอีกอะไรเงี้ยนะหรือไม่มีโอกาสก็อยู่ที่บ้านก็ให้ทำทำตอนเย็นไม่ได้ก็ทำตอนเช้าให้ทำทุกวันจิตใจเราจะมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวก็ทบอารมณ์น้อยใหญ่ก็อยู่ได้สบาย ไม่เดือดร้อนจิตใจเรายังเย็นได้สบายได้มีความสุขความสงบได้เราจึงมีความจำเป็นว่าเราต้องทำให้มันเกิดความจำนานมันหมายถึงความสุขทางใจที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเราทำได้ทำเป็นแล้วเราต้องทำให้มันจำนานขึ้นไปอีกให้มันดีกว่าเก่า ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ฟังไปจิตใจเราก็ให้มันสงบลงไปให้มันอยู่กับอารมณ์กรรมาฐานเ อ, อ่อหรือว่าลมหายใจเข้าหายใจออกทำให้มันจานานทําให้มันคล่องตัวเวลาเราจะเข้าเวลาไหนเข้าได้ทันทีอย่างนี้เขาเรียกว่าทำเป็นแล้วผู้ทําเป็นแล้วก็ไม่ใช่ทิ้งไปเลย ไม่ต้องทิ้งของดีเราต้องรักษาไว้ให้ดีให้มั่นคงให้เด็ดเดียวอย่าท้ออย่าถอ ย, อ ย, ถ, อยถ้าทําให้เป็นทํายากยากไม่รู้ลมอยู่ที่ไหนไม่รู้อะไรอยู่ที่ไหนอืมไม่รู้จะตั้งต้นยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นแบบไหนอย่าทำให้เป็น ลมหายใจก็ไม่เห็นลมเข้าลมออกซึ่งมีอยู่เป็นประจำเราก็ไม่เห็นอย่างนี้ก็มีนะบางคนหมายถึงก็ที่แล้วมาบางคนบอกว่าไม่รู้จักเลยลมหายใจเข้าไปไงก็ไม่รู้จักลมหายใจออกไงก็ไม่รู้จักเอาก็แล้วเราหายใจเข้าออกอยู่ทำไมจะไม่รู้ล่ะ ไม่รู้เลยเจ้าข้าว่าไนโอ้อันนี้มันก็มันก็ไม่ได้แล้วมันต้องรอพุทธเจ้าองค์ใหม่นอนลมหายใจมีอยู่ทุกคนตัวตนก็มีอยู่ทุกคนสามารถแยกล่างออกจากกันได้ให้เห็นเป็นสุภะก็ได้ให้เห็นเป็น อนัตตาก็ได้เราสามารถทําได้เห็นปริณตาคือไม่มีตัวตนที่เราจะยึดถือเอาได้เข้าสมาธิก็ให้เป็นพิจารณาก็ให้เป็นมันก็ดีทันเองถ้าพิจารณาไม่เป็นเข้าสมาธิได้อยู่แต่พิจารณาไม่เป็นอย่างนี้มันก็ไม่ก้าวหน้า ถ้าเอาพิจณาอย่างเดียวไม่เข้าสมาธิเลยอย่างนี้ก็ถอยหลังอันนี้ก็อ่อนลงอ่อนลงต่อไปก็ขี้เกียจทำไม่อยากทำพราะไม่เห็นความสงบสงบหรือไม่เห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากกิจที่เราปล่อยวางได้เราปล่อยวางไม่เป็นเราต้องปล่อยวางเป็นตัวตนของเราเนี่ย เราต้องรู้จักว่าส่วนนี้เป็นตัวตนของเราเมื่อแยกส่วนออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นตัวตนของเรามันก็บเพียงเป็นถาดดินเท่านั้นเองมันก็คืนไปสู่ดินเหมือนเดิมอย่างนี้เราต้องทำให้มันเป็นทำให้มันได้บางคนก็ประมาทได้แล้วก็ไม่ทำอีกอย่างนี้ ถือว่าได้แล้วอันนั้นไม่สมควรต้องฝึกให้มันดีให้มันชำนิชำนาญให้มันคล่องคล่องแคล่วว่องไวเวลาเข้าสมาธิเวลาไหนเข้าได้ทันทีเวลาพี่นาอยู่เวลาไหนพี่นาได้ทันทีเราต้องการปล่อยวางวางได้ทันทีอย่างนี้เราต่อสู้กับอารมณ์ที่เราจะกลับไปสู่บ้านสู่เดือนได้ ชีวิตของคาราวะามันหนักหนาสหาหัสขนาดไหนทุรลหน้าที่การงานความยุ่งเหยิงความมีปัญหาต่างๆมันก็มีมากถ้าเราภาวนาไม่ปิด น, นี่หรือไม่ชำนานนี่มันก็อยู่ไม่ได้เลยแต่ถ้าเราชำนานแล้วนี่กระทบอารมณ์ไหนเราก็สามารถวางใจและรองรองเราได้หันไปทางดีได้เางั้นเถอะ เอาทางดีได้ทำทางที่ดีให้มันได้มันเป็นอากนั้นเราต้องฝึกหัดเจ็ดวันนี่ถือว่าเก่งมากแล้วเราทนอยู่ได้เจ็ดวั น, นให้มันนั่งอย่างเดียวเลยเดินก็มีอยู่บ้างหรอกแต่ว่ามันน้อยอยืนว่างเดินว่าง แต่ความชำนาญจริงๆเกิดจากนั่งสมาธินั่งสมาธิจิตสงบใจสบายกลับไปบ้านมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันจะสงบสบายอย่างนี้ไหมก็ต้องทำอย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษสิ่งอื่นโทษใจของเราที่มันไม่อยู่กับร่องกับรอยมันคิดนั่นคิดนี่โฟกัสสั้น อันนี้นก็ดับไปแล้วมันก็เหลือแต่รูอยู่ในตัวของเราตอนนี้มีสติรู้อยู่อะมันถูกแล้วถ้าไหนมันอัขดข้องเวลาเรากลับไปบ้านเราก็พิจารณาโอ้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้สิ่งนี้ต่อไปก็ดับไปไม่มีอะไรที่จะเป็นของกิรังยั่งยืนจิตเราพอพิจารณาอย่างนี้ปั๊บใจเราก็วาง วางความยิดความถือได้เราต้องพิจารณาให้เป็นกระทบอารมณ์เราจะไปให้มันโกรธขึ้นมาหรือโมโหโธโซนั่นนี่ขึ้นมาเราต้องพิจารณาให้มันเป็นว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้สิ่งนี้ก็ดับไปได้เราไม่เอาใจใส่เราทําใจของเราให้สบายไม่เอาใจใส่ จะเป็นเสียงกระทบหูเป็นเรื่องที่พอใจหรือเรื่องไม่พอใจก็เหมือนกันเรื่องพอใจก็ทำให้หลงเรื่องไม่พอใจก็ทำให้โกรธให้โมโหขึ้นมาในที่สุดก็ภ า, าวนาล้วก็แตกไปไม่ถึงไหนแต่ถ้าเราแผ่เมตตาปับ๊บบอกว่าเออสิ่งนี้เกิดขึ้นได้สิ่งนี้ก็ดับไปได้ไม่มีอะไรยั่งยืนไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน เราจะสําคัญมั่หมายกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ใจใเราสงบเป็นดีที่สุดแล้วก็เริ่มทําใจของเราให้สงบเสียพอใจเราสงบแล้วเราก็ทําใจให้สบายอยู่เอาเรียกว่าภาวนามีประโยชน์แบนี้รู้จักคุณค่าของภาวนากระทบอารมณ์แล้วมันสบายอยู่ได้เนยมันไม่โตไม่เทียงไม่ พูดไม่ด่าขึ้นมาเนี่ยถือว่าเราใช้ได้แล้วนั่นนะใช้ได้แล้วกระทบอารมณ์แล้วไม่เสียใจไม่ดีใจอยู่ได้นี่เรียกว่าเราดีแล้วแต่ถ้ากระทบอารมณ์แล้วเรายังเสียใจอยู่เรายังดีใจอยู่มันก็เรียกว่ามันไม่มันก็ไม่เที่ยงทั้งสองอย่างแหละ เราก็คอยระวังอย่าให้ความดีใจมันมากเกินไปแล้วก็จะทําให้เสียใจมากเกินไปอืให้มีสติรู้ให้รู้เห็นรู้เห็นตัวเรารู้เห็นใจเรานี่ยแหละให้รู้ให้เห็นให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นได้มันดับได้เราเข้าสมาธิเสีย ไม่ใช่ไปนั่งเข้าสมาธินะยืนอยู่ก็ทำสมาธิได้ถ้าเราชำนาญแล้วนะกระทบอารมณ์ในขณะยืนแล้วก็สามารถรวมจิตปับ๊บเข้าสมาธิทันทีเราไม่โตอตอบเลยเราไม่พูดนันพูดนี่ต่อไปอีกเลยใจเราก็สบาย อ, อย่างนี้แหละกลับไปแล้วไม่ใช่ว่าโอ้ ด่าลั่นบ้านเนี่โอ้มันก็เป็นสมกับคนที่ภาวนาแล้วแบบนั้นคนที่ภาวนามต้องยินใจต้องสบายไม่ใช่ว่าภาวนาเป็นแล้วพอกลับไปบ้านยังทำเหมือนคนภาวนาไม่เป็นยังลองเสียงหลงอยู่มันก็ไม่ได้หละต้องทำใจให้มันสบาย น, นี้ กระทบอารมณ์แล้วเราไม่โกรธขึ้นมาไม่โลภขึ้นมาไม่หลงขึ้นมาไม่มีกิเลสตัณหาขึ้นมาก็าเรียกว่าเราได้ชัยชนะในการปฏิบัติเราเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของความที่จิตเราสงบจิตเราเป็นสมาธิจิตเรามีคุณธรรมเรามีธรรมะในใจอย่างนี้แหละ เรามีธรรมะในใจเราก็สบายถ้ามีกิเลสในใจใจเราก็ไม่สบายกิเลสก็คือราคาโทสะโมหะโลภโกรธหลงนี่แหละพวกนี้เรากิเลสทั้งนั้นมันทําใจให้เราไม่สบายหน้าที่ของมันมันทําใจของเราให้เศร้าหมองมันทําใจของเราให้ไปตกนรกถ้าเราตกนรกได้ลึกเท่าไหร่มันยิ่งดี มันเอาชนะเราได้เรียกว่ากิเลสมานมานคือกิเลสกิเลสมันเอาชนะใจเราได้ให้เราโกรธได้ให้เราโลภได้ให้เราหลงได้ให้เราเกิดราค้าตันหาได้อันนี้มันได้ใช้ชนะเราใจเราที่มีธรรมะหายไปเลยไม่มีอะไรแต่ถ้าเราใจเรามีธรรมะเนี่ย ใจเรามีธรรมะใจเรามีสมาธิใจเรามีมากมีผลแล้วก็จเจริญเลยจิตใจเบิกบานแจ่มใสอมไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงมีแต่ความสุขความสงบมีแต่ความสบายมีแต่ความเย็นอกเย็นใจมันก็เดินตามมากแปดเลยจิตของเรามี ศีลมีสมาธิมีปัญญาศีลก็มีอยู่ในจิตของเราสมาธิก็มีอยู่ในจิตของเร า, า, เราปัญญาก็มีอยู่ในจิตของเราเนี่ยปัญญาลูเห็นนั้นนี่กเกิดขึ้นเออโอ้อันนี้มันไม่ถูกอันนี้ไม่ควรเราต้องทำใจให้สบายอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเราต้องเป็นอย่างนั้นจึงใช้ได้ เร่ว่าเราทำใจให้ถูกต้องตามหลักตามกินทำใจให้สบายทำใจให้เป็นหนึ่งอย่าให้มันไม่มีธรรมะให้มันมีธรรมะอยู่ในใจให้มีเมตตาให้เห็นอกเห็นใจคนอื่นสัตว์อื่นให้เห็นใจเราเองว่าเราเกิดมานี่ก็มีทุกข์ทุกข์กายทุกข์ใจ มีทุกข์อยู่กายก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์นั่งนานๆก็ปวดแข้งปวดขาเก็บหลังเก็บเอวเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็เมตตาเราบ้างไม่ใช่เมตตาแต่คนอื่นเมตตาเราด้วยเรานี่ก็เก็บแข้งเก็บขาเนอะขาเราก็เก็บเรานั่งนานๆก้ น, น, นเราก็จะแตก เราก็แผ่เมตตาให้เราเองเราก็อยากได้สมาธิอยากได้อยากภาวนาเป็นนี่แหละถึงได้อดได้ทน อ, อดไปทนไปอีกไม่นานอีกวันสองวันก็หมดแล้ว อ, อีกวันสองวันก็หมดแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วะจะไปร่งแบบนี้มันต้องอดทนมาก ถ้าอยู่คนเดียวทำไม่ได้หรอกไม่มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำพรมสอนเทศนาสาั่งสอนอบรมมันไปไม่ถึงไหนเลยเพราะมันเก็บมันปวดจริงๆนะสองสามวันแรกเยโอ้โหมันไม่รู้มันมาจากไหนความเก็บความปวดหลังไหลมาจากทุกทิศทุกทางเลยนั่นแหละพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้ก็เป็นอย่างนั้นแหละ มานมารอบทิ่รอบทางจนพระองค์ได้เอาพระหัตถ์ข้างขวาขยับออกไปซี่ลงไปเขาก็ทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินใครจะทมน้มลายใส่ใครจะเหยี่อลดหรือทำอะไรก็ตามทำของสกปรกทำของโชโกใส่ก็ตามก็ไม่บ่นไม่ว่าไม่โมโหโทโศนั่น ทำใจหนักแน่นเอาพุตโองค์ก็อดทนมากนั่งตลอดคืนลองดูสิคนเราจนพาอาทิตย์ขึ้นจึงได้ตัดสูเป็นพระพุทธเจ้าแล้อวาอารุณขึ้นนะจึงในตัดสู่จึงชนะมารมารก็เสียใจเลยวันนี้ทำเอาชนะพุทธเจ้าไม่ได้ให้ลูกสาวมาลูกสาวก็ขออนุญาตมาทดลองดูนั่น เอานังได้ไหมนี่มาทดลองดูจะเอาให้พระศิษธาคุบ ม, มา น, นี้อยู่ในอำนาจให้ได้นานเอามาพระพุทธเพิจารณาชะีโอ้ยมองเห็นคนสาวเป็นคนเท่าคนแก่ไปเลยวะนี่เป็นคนแก่ไปเลยมานก็สู้ไม่ได้ลูกที่ดามานทั้งสามก่บ น, นางตันหานางราคะนางอรารตี หนีไปเลยสู้ไม่ได้ถ้าเราทำได้อย่างนี้มันก็ดีเรื่อว่าเรามีความอดความทนมีมากมีผลมีการภาวนาจเจริญก้าวหน้าอุติจาวพงก็อดทนมากเห็นไหมอดทนขอนจะได้แต่สู้ทรมานตนอยู่ตั้งหกปีหกปีแตวไม่ได้อะไรเลยมีแต่พร้อมลงพร้อมลงเหลือแต่นังหุ้มกระดูก นั่งอธิษฐานคืนเดียวโอ้โหเอาให้อยู่หมัดเลยในที่สุดก็นชนะเนี่ยให้เราลองคิดดูเรานั่งแค่สักชั่วโมงหนึ่งเราถอยออกไปเบกเวลาออกไปข้างนอกกลับเข้ามาเปลี่ยนวิยาบทนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทํางนั้นนั่งท่าเดียวเลยอยู่ตลอดนั่งอยู่ตลอดจนอรุณขึ้นจึงในตัสะุ้เป็นพระพุทธเจ้าจึงในรู้อริยสัจสี จึงได้รู้ทุกรู้สมุทยัยรู้นิโรธรู้มากทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์พระองค์จึงรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นมาในพระทัยของพระองค์มารก็พ่ายแพ้ไปนั่นแหละหลองคิดดูพอาพุทธเจ้าผู้เป็นครูบาอาจารย์เป็นศาสดาของพวกเราเนี่ไม่ได้ย่อท่ออ่อนแอเราเป็นลูกศิตถาคต ลูกศิษย์พะพุทธเจ้าเป็นสาวกของพรุทธเจ้าเราก็ต้องทำให้เด็ดเดี่ยวเหมือนพระพุทธเจ้านี่อะไรจะเกิดก็ตามอะไรจะดับก็ตามไม่ได้ใส่ใจไม่ได้วันไหวไม่ท้อไม่ถอยอยากง่ายป่านใดก็ไม่ยอมแพ้ต้องเอาชนะให้ได้ต้องอดทนต้องต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวห้าวหานไม่ท้อถอย ไม่หมดกําลังใจในการที่จะปฏิบัตินั่งปวดแข้งปวดขาขนาดไหนเราก็อดทนได้เราก็สามารถทนได้เราสามารถทำจิตของเราให้สงบลงได้อันนี้เรียกว่าเรามีชัยชนะในใจเลยชัยชนะกับกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอย แม่ว่าจะนั่งเหนื่อยบ้างเก็บแข้งเก็บขาบ้างอันนี้มันเป็นการทดสอบพลังจิตของเราว่าเราจะมีความเข้มข้นแค่ไหนเรานั่งไปเราปวดขาปวดอะไรขึ้นมาเราก็อดทนได้ทำให้มันหายเจ็บหายปวดได้อันนี้เรียกว่าเราสามารถเอาชนะได้แล้วทีนี้เราจะนั่งจะนั่งกี่นาทีมันก็นั่งได้จะเป็นอยู่กี่ชั่วโมงมันก็อยู่ได้เพราะมันไดช้ชนะแล้ว แต่ถ้าทำ20นาที30นาทีเปลี่ยนท่านั่งเรื่อยปวดนั่นปวดนี่พอเราจะทำมันปวดก่อนแล้วหลวงพ่อเคยเจอมาเหมือนกันอยู่วัดหินนกเป้เองอ่ะพอนั่งไปนั่งไปนี่โอ้ยนึกว่าก้นมันจะแตกอเปลี่ยนเป็นเดินไปนเดินตั้งแต่ฉันเช้าเสร็จจนถึง11นาฬิกาถึงหยุดไปพักโอ้เท้า เท้านี่พองเลยมีน้ำเหลืองออกเลยมันเพราะว่าที่เดินมันแข็งมันเป็นดินมันแข็งมันไ ม, ม, นไ ม, ม, นไม่มันไม่มีทรายมันไม่มีทรายอ่อนๆเดินอย่งั้นแหละจะไปวิถาบาทนี่โอยไปแทบไม่ได้เท้าก็เป็นพองขึ้นตามฝ่าเท้านะมีน้ำเหลืองไหล ก็ไปแกะไม่ได้แกะแล้วน้ําเหลืองไหลเลยเจ็บมากกว่าเดิมทรมานมากไม่ใช่ฝึกมาวันสองวันเนีใช้เวลาอยู่เป็นหลายปีพอเรานั่งเก็บเราก็นั่งยองๆเอานั่งยองๆก็เก็บอยืนเอายืนเอาก็เก็บเดินเอาเเดินาก็เก็บเปลี่ยนที่ไปภาวนาใหม่เอาไปอยู่ที่ทางยงกลม ที่มีทรายแบบนียที่ทรายเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาจิตมันสงบเพราะไม่มีอะไรกระทบเลยท่ามันสบายแล้ยจิตสงบแล้วจิตสงบสบายขึ้นมานึกว่าได้โสดาบันแล้วโอ้เราได้โชดาบันแล้วเนี่จะไปถามหลวงปู่ถามหลวงปู่เทพเข้าไป ท่านแกว่าข่าวนี้จะถามว่าที่ถามไปในกิจมันสงบแบบนี้นะมันได้สวดาวันหรืออย่างไปถามท่านจะท่านแกจะไปถามท่านพอไปถึงท่านก็นั่งพัดลมหมุนท่านก็นั่งอยู่สบายๆอยู่ท่านก็เข้าสมาธิเข้าฌานของท่านนะอืเราเข้าไปท่านก็ยกพัดลมมาให้เรา เราเห็นพัดลมปับ๊บเราก็รู้ว่าโอ้พัดลมมันหมุนอยู่ก็เปรียบเหมือนเราเนี่ยังวัตะสงสารมันยังวนเวียนอยู่ยังเวียนเกิดเวียนตายอยู่ยังไม่ได้ทําลายวัตะสงสารนี้ให้สั้นเขาอนึกขึ้นได้อย่างนี้ก็กราบล้มปูแล้วก็ท่านถามมามาอะไรมาอะไรละ่ะท่านว่าบอกท่านเ่า มากราบลงปู่เฉยๆนี่แหละครับไม่บอกความจริงว่าผมจะมาถามปัญหาก็ไม่ไ่าพ่อรู้แล้วเราเราหมุนเราวัตตาของเรามันยังหมุนอยู่มันยังไม่ได้เป็นสุระบันมันยังไม่ได้เป็นสกิทาคามันไม่ได้เป็นภานาคามันไม่ได้เป็นภาเรหันเห็นเราสบายเห็น พอเห็นใจสบายกน็นึกว่าเราได้สำเร็จแล้วอันนี้สำเร็จสวรบาลละบ้างแบบนี้พอจะไปถามก็ได้นิวิตก่อนได้ได้สติก่อนรู้ว่าวัตรสงสารของเรายังหมุนอยู่อะอนนลรกาวลงปูแล้วก็ออกมาเอามาเดินไปเดินไปใจมันก็สบาย สงบเลยอิจิตมันสงบเป็นสมาธิแล้วสบายแล้วันทางเดินก็นุ่มๆเหมือนหน้ า, าวัดเรานี่แหละเหมือนต้นชาต์เต็มอยู่นดินมันจะอ่อนๆ น, นิ่มๆเดินมันก็สบายเลยวันนึกอีกล่ะโอ้เหยียบนี้เราได้สำเร็จสวดบันแล้วมั้งหน่อยหนึ่งงูไม่รู้มาจากไหนมายก พอตั้งไว้อยู่ทางัางกลมเนะโอเราเกือบจะเหยียบรลยแล้วเห็นงูโอ้กลัวบักใหญ่เลยวาเนี่ยกลัวงูถอยกูดเลยโอพระสวรวัน์กลัวงูใช้ไม่ได้หรอกว่ากลัวงูมันยังกลัวอยู่ต้อกลัวตายอยู่ต้เนี่ยอันเนี่ย เราคิดเราเองไม่ได้หรอกใจเราต้องสบายใจเราต้องปล่อยวางได้ถ้าเราปล่อยวางได้เราก็รู้แล้วโอ้เราสบายแล้วถ้าเราปล่อยวางไม่ได้ก็เหมือนน้องพ่อที่ทำนะปล่อยวางไม่ได้ยังกลัวตายอยู่อะไรยอะบุคคลนี่พระเรียบุคคลนี่มันไม่กลัวตายเลย ว่าอะไรพ่อยังมั่นใจในตัวเองเนี่ยถ้าได้เป็นพระสวดาบันนี่ก็มั่นใหญ่แล้วว่าเราไม่ต้องทุทกข์ยากลำบากในวัฏะนี่อีกนานแสนนานกว่าจะพบพระพุทธเจ้าองค์ใหม่แล้วก็ตั้งใจทําความภาคความเพียรไปเรื่อยๆไม่ถอยในที่สุดเราก็กลายเป็นคนที่เข้มแข็งภายในกิจใจของเราเด็ดเดี่ยว ไม่ย่อท้อต่อความเป็นความตายอะไรจะเกิดอะไรจะดับก็รู้รู้ตัวรู้ฐันรู้นั่นรู้นี่อยู่พอตายก็ไม่ตกต่ําแล้วเราใอโซรวบันเนี่ยคิดเพลินไปอย่างงั้นเนี่ยมันได้จริงจริงก็มันก็มีกลัวอยู่ละถ้ามันถ้ามันได้จริงจริงก็มกลัวอยู่อืมเราอ่านตำรา กับที่ความเป็นจริงมันก็ต่างกันอยู่บ้างคนที่ได้สุรบาลมันก็จิตใจก็มีความสุขมีความสงบมีเมตตามีมองเห็นชัดเจนว่าทางดําเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์นี่มีอยู่คือมรรคแปดเราก็ตามตามมรรคแปดมรรคแปดคืออะไรคือศีลสมาธิปัญญา เราเป็นฆราาวาสก็มีศีลห้าให้มีศีลห้าในตัวศีลห้าไม่ทําผิดศีลห้าสมาธิก็ตั้งเที่ยงตั้งมัน่นจิตตั้งเทียงตั้งมัน่นปัญญาก็คือรู้ในตัวตนของเรารู้อริยสัจธรรมทั้งสนี่แหละ รู้ชัดรู้แจ้งรู้จริงรู้ทุกข์รู้สมุทยัยรู้นิโรธรู้มากเนี่ยแหละปัญญาคือความฉลาดแหลมคมในจิตรู้เท่ารู้ทันกิเลสตัะตาต่า ง, างมันก็ดีไปดีไปมันก็สงบเยือกเย็นอยู่เป็นสุกมันไม่ได้อยู่แค่นั้นหรอกมันก็ทําไปมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่ไดีอยู่แค่ สมาธิอย่างเดียววแค่สวดาบรรอย่างเดียวมันก็สูงขึ้นไปจากสวดรบรรขึ้นไปเป็นสกิทาคาทำไปเรื่อยมันก็ขึ้นไปอีกเป็นนาคาทำไปไม่ถอยเลยได้เป็นอรหันต์ไม่กลับมาทุกข์ยากในตาาวตฏสงสารนี้อีกเลยไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดมีสุขเป็นธรรมะ ผู้ที่ท่านได้ก็เป็นอย่างนั้นแต่พวกเรายังไม่ได้ก็ทําไปได้ขั้นไหนก็เอาได้สมาธิก็เอาได้สวดรำบรรลก็เอาได้สกิทานาคาแล้วก็เอาพอแต่ให้มันได้ยิ่เราภาวนากันไปก็รู้ด้วยตัวเองแล้วว่าเราเป็นยังไงใจเราสบายไหมใจเราสงบไหม เราก็รู้รู้ในตัวของเราเนี่ยตั้งใจปฏิบัติไปอย่าถอยกลับไปบ้านแล้วไม่ไม่สนใจเลยอันนั้นเนยได้ของดีแล้วได้เพชรได้ทองได้เพชรเม็ดงามแล้วได้แหวนทองคำแล้วแต่ก็ไปทิ้งเสียหายากนะคนที่จะภาวนาเป็นมันไม่ใช่ธรรมดา ภาวนาเป็นแล้วแล้วก็ทําอยู่เรื่อยๆปฏิบัติอยู่เรื่อยๆหาโอกาสสังเกตดูลมหายใจอยู่เรื่อยๆถ้ามันชํานาญแล้วมันถึงแม้เราจะไม่ได้ทําอะไรมันก็เห็นลมหายใจเข้าออกอยู่เรื่อยๆเลยนะอันนี้เป็นความจริงผู้ปฏิบัติไปเนี่ยพอทําไปมันชำนิชํานาญดีแล้วบางทีเราไม่ได้กําหนดดูลมเลยเราก็เห็นลมของเรา เขาออกสบายๆอยู่ใจของเราก็สงบหนักแน่นมั่นคงเออดีดีไม่โทษคนอื่นเลยโทษกรรมของเจ้าของเราทากรรมอนไดไว้เราต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั่นทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามเราต้องได้รับทำชั่วก็ได้รับทำดีก็ได้รับ เราก็ไม่ทำความผิดเลยมันศีลของเราก็มันคงสมาธิของเราก็ดีขึ้นปัญญาของเราก็สลาดหลักแหลมในการกิเลสรู้ทันกิเลสเท่านั้นเถิดกิเลสได้เกิดขึ้นเราก็สามารถดับมันได้การปฏิบัติไม่ใช่ของยากจนเกินไปก็ไม่ใช่ของง่ายจนที่ว่าใครๆก็ทำได้หมดไม่ใช่ ก็ต้องมีหลักมีวิธีการมีหลักการปฏิบัติว่าอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรอันนี้ผิดอันนี้ถูกครูบาอาจารย์ผู้บอกผู้สอนก็ต้องรู้ด้วยก็ได้ผ่านการปฏิบัติมาบ้างแล้วมันถึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรครูบาอาจารย์ก็ต้องรู้ลูกศิษย์ลูกหาว่าใครภาวนาเป็นไม่เป็นแล้วก็ต้องอธิบายให้กันฟังได้อย่างนี้เราก็ไปได้ ออืเห็นได้อ <Mystery> ย่างวันแรกเราสอนก็สอนให้ห like ัดสมาธิเนี่ยท่านอาจารย์ไภัยบุญก็ว่าที่มหาเนี่ยว่าที่มหาภัยบุญเนี่ยก็สอนภาวนาเพิ่มเติมเอาหลักปฏิบัติมีในพุทธโอษหรือว่าในพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นมาที่บายให้ฟังเพิ่มเติมมาดู พูปฏิบัติแล้วสามารถทำได้จริงๆนิ่งแน่วเลยไม่ลุกลิกลุกลน้นไม่คิดนั่นคิดนี่ตั้งกจปฏิบัติจนกิบเป็นสมาธิแล้วนั่นนะ่ะข้อท่านั้นพอเราพ่อสอนอิพัสนาแล้วก็ท่านก็พยายามอธิบายเรื่องอิปัสนาจากพุธโตให้ฟังเราก็สามารถทำให้เขาเข้าใจได้พอไปสอบมันก็ง่ายขึ้น ไปปฏิบัติให้ดูก็ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแต่ว่ามีข้ออนหนึ่งอยากบอกในที่นี้คือการที่ว่าถ้าตำหนีผู้ปฏิบัติด้วยกันหรือตำหนีพระอาเลียเจ้าหรือตำหนิพระสงฆ์ภาวนาไม่ขึ้นนะภาวนาไม่ไม่ไปไหนเลยเห็ุสมาธิก็เป็นแรบเดียวมาถอดปั๊ ถอสมาธนะิสมาธิมันถอนวักทันทีมันไม่เป็นสมาธิต่อไปนะมันไม่มีมรกมีผลพูดง่ายๆถ้าไม่ได้ก็จะไม่ได้เลยนะการที่ตำหนิพระลัตาใจเนยะเพราะนั้นเราตึงให้คารวะก่อนเราใสมาทานพระพระลัตก่อน ผุ้ท <Jub> างสสังคัตสามิพระพุทธเจ้าเป็นสาระของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าธรรมังสสดงคัตสามิพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสังขังสสังคัตสามิพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้านะพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าถ้าเราไปตำหนิพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเราภาวนาไม่ขึ้นตายแล้วไปในโลกเลย แต่ถ้าไม่ไทำหนีไม่พูดถึงไม่ยุ่งไม่เอาใจใส่ทำใจของเราให้สบายใครทำดีก็เป็นเรื่องของคนนั้นใครทำชั่วก็เป็นเรื่องของคนนั้นเราไม่เป็นทุกเป็นร้อนแบบนี้ภาวนาได้ดีบอกพับรู้พับทันทีเลยแต่ถ้าใครทำหนีพระสงฆ์อย่างเรือกเป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นคุยกัน ถึงพระสงฆ์นั่นนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้พร้อมบวชนั่นนี่ออสารพัดอย่างละ่ะแต่จะว่าไปาพาภาวนาไม่ขึ้นเยทำสมาธิก็ไม่เป็นสมาธิจิตไม่สงบเพราะฉะนั้นเราทึงให้คารวะพระราชาไต่ไปก่อนเพื่อที่จะขอเข้ามาโทษจะสำรวมระวงังสำรวมระว่ังคือไม่พูดไม่ทำอีกไม่ทาอย่างนั้นอีก ตั้งกป่ปฏิบัติจริงๆไว้นี่นก็ได้ภาวานาเป็นใช้ได้อันนี้ใช้ได้ไดมีหนังสือที่พิมพ์ใหม่ท่านไทบุญคัดเอาที่เทศในแต่ละคอทละคอทคือพนะุทธโอษนะคือธรรมะของพุทธจนะ เ, เจ้านะเอาเฉพาะที่พุทธเจ้าตัดไว้มาอธิบายให้ฟังตลอด มาเทศให้ฟังตลอดงานรวมเล่มเป็นเล่มได้เล่มหนึ่งครบเจ็ดวันพอดีได้เล่มหนึ่ ง, อ พ, องพอพิมพ์เสร็จแล้วตอนนี้ใครอยากได้ก็ช่วยพิมพ์ช่วยค่าพิมพ์ตามแต่กำลังให้บาทหนึ่งก็อสองบาทก็เอาหรือสิบาทยี่สิบาทส0สิบาทไม่ได้ไปขายแต่ว่าให้บูชา เ็ื่จะได้พิมพ์ข่าวหน้าต่อไปอีกเงินที่ค่าพิมพ์ก็เงินที่ญาติโยมทำบุญไว้นั่นแหละเอาไว้ค่าพิมพ์อ่านดูแล้วเขาจะรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรเป็นคำพูดของพุทธเจ้าโดยตรงหน้าอ่านปกดีอดทนสีความสดการอดทนธรรมเทศนาในคออนะ อยาจมอยากได้ก็ถ้าเอาแจกไปก็ไม่อ่านไม่อ่านแจกไปแล้วไม่เห็นใครมาพูดให้ฟังว่าอ่านตรงนั้นแล้วดีอย่างนี้ก็ไม่มีแจกฟรีฟรีอัตมาแจกฟีพุทธศาสตร์มาจะจะห้าร้อยเล่มเกือบจะหมดแล้วแต่ไม่ได้ยินใครว่าอ่านพุทธศาสตร์ตรงนั้นแล้วดีอย่างนั้นดีอย่างนี้สแสดงว่าเอาไปแล้วไม่อ่าน ผู้สนใจให้เฉพาะผู้สนใจผู้สนใจก็ช่วยค่าพิมพ์ตามกำลงังศรัทธาอันนี้ก็โฆษณาขายหนังสือไปด้วยทเทสไปด้วยอันนี้ท่านทําได้ไงก็ไม่รู้อาตมาก็งงเหมือนกันทเทสแต่ละทีเอาไปพิมพ์เป็นเล่มเป็นปึกไว้ปึกไว้แล้วก็เอาไปจ้างพิมพ์มาเป็นเล่มใหญ่โอ้น่าสนใจะ อ่านแล้วก็เข้าใจดีถึงไม่เป็นคำศัพท์ที่ยากสักหน่อยหนึ่งก็ทำให้เราเข้าใจโดยรวมให้ตั้งใจปฏิบัติกันอย่าท้อถอยกลับไปแล้วก็ให้สู้หัดไปวันละเล็กละน้อยหัดไปทุกวันเพราะเราก็จะได้มาถึงขั้นนี้ไม่ใช่ธรรมดา เอาภาวานารู้จักว่าพุโทโธธโมสังโฆ ร, รู้จักว่าบาปุลคุณโทษรู้จักว่าดี่าชั่วรู้จักว่าอะไรควรเว้นอะไรควรกระทม응เราก็รู้หมดแล้วเราตั้งใจปฏิบัติไปอย่าหมดกําลังใจในการที่ว่าโอ้เรานั่งเหนื่อยฉันสู้ไม่ไหวแล้วไม่เอาหรอกอย่าให้มันมีอย่างนั้นให้มันให้มันตั้งใจปฏิบัติจริงๆว่าเรากลับไปแล้วเราก็ทา นั่งทำไม่ได้ก็นอนทำถ้ามันเหนื่อยนั่งก็นอนเอาเจ้หนอนมันก็หลับนะหลับก็ไม่เป็นไรภาวนาหลับได้ก็ดีแล้วดีก็คิตญานอนหลับให้ตั้งใจปฏิบัติไปเราเกิดมาเราเคยสร้างบุญด้วยกันนั่นแหละมันถึงมาได้ปฏิบัติมาด้วยกัน ได้ยินแล้วถึงอยากมาปฏิบัติเราคงสร้างความดีร่วมกันไว้ในชาติก่อนพบก่อนนะพอมาแล้วก็ชอบใจปฏิบัติได้ดีอกดีใจมีความสุขใจในคุได้ธรรมะได้เห็นใจเจ้าของเห็นใจตัวเองใจสงบแล้วก็รู้ของเราว่าเราใจสงบใจเราไม่สงบเราก็รู้ว่าใจของเราไม่สงบเราก็สามารถรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ ก็ให้ตัง้งใจปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆอย่าถอยอย่าหยุดมีโอกาสให้มาส่วนคนใหม่ก็ให้มาเราไม่ได้ยุ่งยากอะไรคมอยู่ความกินก็มีคนทำมาให้กินแม่ครัวนะขาอ่อนเลยเดินทำอาหารอันน่ะตอนเช้าทาอาหารเช้าตอนสายมาทำอาหารว่าง กินมากรั่งปะนะก็คืนมาก็ทําอาหารเตรียมไว้ตอนเช้าตลอดเวลาเจ็ดวันนี่เขาหนักอยู่เหมือนกันนะหนักอยู่เหมือนกันแต่เราก็ไม่ลําบากเราก็สามารถกินได้อยู่ได้พอประทังชีวิตไปเรากตั้งใจปฏิบัติไปก็ปดีไปอืม อนนั้ก็ดี น, นี่ก็ดีหลายอันหลายอย่างก็ดีขึ้นดีขึ้นกิจใจเราก็ดีกลับไปเราก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลได้ทั้งคุณงามความดีให้ถึงถึงรู้อัดรู้ธรรมของพุทธเจ้าอย่างนี้ถือเป็นโชคลาภของเราเกิดมาชาตินี้เป็นโชคเป็นลาภเป็นบุญเป็นกุศลของเราเป็นความดีของเราอืมเรามีความเรามีโชคดีอืม เพราะนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆ